م ะ ن ั้งทุกข์ทุกสิ่งَห้เป็นสุข ขَ قنا ห์มิม่ไ م ่ร م ้รู้รู้ ل ู้รู้รَู ل ู้รู้รِูรู้รَูรู้รู้ م ู้ร ا ้รู้รู ا ل ู้รู <S <S على ل ราَ قادر ุณอَลัยอัลลอฮฺที่เราต้องการและเราต้องการอัลราารอาลัยอัลลอฮฺที่ บ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى ดุ์หั ق ต <ت ص في ق> و เลาคุว์ยุมหุมุลลิยู ย์อุมะยักรุ่นักรุ แค่หนุนُุ ص มอُลานุศ ا ش ยุฟดุนข้าชีอาตันอับซารุห ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ัล له ฟ้าลือังมนีนแีกทางทิศทางมี้่จะเปในสที่จ้ทเ้าไปในทตอกทจะ้านสุดท้อกายของเาสร์ทีอารทจนสี่้องกรทีนส่ะงรเน่ะอวค่ารเปว่อารเาจอาจะ ลืมไปนะครับว่าสุราห์นี้กำลังพูดถึงอะไรอยู่เอลมาอาริชตั้งแต่ต้นสุราห์มาหวัวใจของสุราห์หรือเนื้อหาหลักๆของสุราห์นี้ก็คือการยืนยันถึงวันอาเครัที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ย ง, ยงไม่พ้นเป็นการปฏิเสธ ความคิดและการอ้างการตั้งคำถามของบรรดามุชริกีนผู้ที่ปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอาเลาะวะสัลลัมว่าวันอัคยรัตจะมีจริงหรือซาลาอัลุบีอาดะบินวกะอัลลอฮฺซุบฮานาาะตะละก็เลยยืนยันอย่างชัดเจนว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเป็นวันที่น่ากลัววันที่บรรดาอัลมุจริมูน อชญากรผู้ที่ปฏิเสธอัลลอ์ผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานจะต้องลงโทษจะต้องถูกลงโทษอย่างสาหัสสากันเป็นวันที่มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประกอบความชั่วจะหวังจากอัลลอฮ์ س ب ح ا และ ت ว, ว่าอยากจะพ้นโทษ ทำทุกวิถีทางแม้กระทั่งถ้าสามารถทำได้ก็คือจะไถ่ตัวเองกับลูกหลานไถ่ตัวเองกับภรรยาไถ่ตัวเองกับพ่อแม่หรือไถ่กับมนุษย์ทั้งโลกนี้แล้วล่อง س ب า ا ن ه อัลตัลละก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นรกจะหันนำจะกัดกินพวกเขาเหล่านั้นนะอุบิลละมินดาลิเมื่อ Allah سبحانه อัลาบอกแล้วว่าวันเกียรติจะเกิดขึ้นจริงพระองค์ก็บอกว่า ผู้ที่จะประสบความสาเร็จหรือผู้ที่จะได้รับความรอดพ้นในวันอัคราสในวันเกียติจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรถ้าหากเชื่อว ว, วันอาคราสเมจิงเราจะต้องเตรียมตัวคนเหล่านั้นถูกพูดถึงในอายัดก่อนหน้านี้ที่เราเรียนกันมาแล้วแปดคุณลักษณะของอผู้ที่รอดพ้นจากนิสัย อินน عة อิดาเม็ศ عة อิด م เม็ ع อันดาผู้ที่ละมร่มต้นคณลักษณะรกยคือผู้ที่ละมเป็นประจำผู้ที่เชื่อมั่นในวันอัคราษผู้ที่เกรงกลัว ต่อการลงโทษของ Allah س ب ح ا ะผู้ที่รักษาอัมนะผู้ที่รักษาอวัยวะเพศผู้ที่รักษาความสัมพันธ์ทางเพศของเขานอกจากกับบรรดาภรรยาและสิ่งที่ภรรยาและก็สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้ที่รักษาอัมนะและปิดท้ายคุณลักษณะต่างๆเหล่านั้นด้วยการละหมาดด้วยอีกครั้งหนึ่งว ละหมาดเป็นประจำและดูแลละหมาดอย่างดีดาอิมูนหมายถึงละหมาดเป็นประจำถึงเวลาละหมาดละหมาดเป็นประจำอลาซาลาที uh ่เหยูฮาฟิซูตหมายถึงว่ารักษาการละหมาดในแต่ละครั้งเข้าใจความแตกต่างไหยฮะดาอิมูนก็คือว่าละหมาดท่าเวลาไม่เคยทิ้งอันนี้ดาอิมูนอายักแรกเปิดด้วยอายักแรกเนะี่ยคุณลักษณะแรก ในขณะที่อยู่ห้าฟิลนหมายถึงแต่ละครั้งในห้าเวลาเนี่ยละหมาดอย่างดีนี่คือความแตกต่างระหว่างเดอะอิมูนละหมาดตอนต้นคุณลักษณะประการที่หนึ่งประการแรกเลยกับการรักษาการละหมาดที่เป็นการปิดท้ายทั้งหัวทั้งท้ายเนี่ยเาตลเอาละหมาดมามาเป็นมาขนาบข้างเลยเพื่อที่จะบอกว่ามันสำคัญขนาดไหน เป็นคุณลักษณะสำคัญมากที่จะทำให้มนุษย์นั้นรอดพ้นในวันอัคราชเป็นคุณลักษณะประ ก, ระการสำคัญที่จะปกป้องตัวมนุษย์จากนิสัยเลวๆที่จะทำให้เขารอดพ้นจากจุดอ่อนของตัวเองอัสวิปหมินดาลิเพราะฉะนั้นละหมาดเป็นอะไรที่ต้องเอาใจใส่กับมันอย่างมากรักษาเวลา <S <S ของมัน ตรงตามเวลาห้าวันห้าเวลาแต่ละวันและรักษาการละหมาดในแต่ละครั้งให้ดีหมายถึงว่าละหมาดแต่ละครั้งไม่ใช่ละหมาดให้ผ่านๆละหมาดให้ดีจะทำอย่างไรให้การละหมาดของเราเป็นการละหมาดที่มีคุณภาพผู้มุ่งมั่นนะที่ประสบความสาเร็จที่อัลลอฮฺตะลาบอกว่า คนลักษณะของมุกมินที่ประสบความสำเร็จเนี่ยประการแรกเลยก็คือละหมาดคุชูละหมาดมีคุณภาพไม่ใช um uh, uh, ่ละหมาดแบบไก่จิกก็บอกละหมาดแบบไก่จิกก็คือละหมาดของบรรดาโมนาเซคุนอัลลัดดีน่าอัลเลนะวะลาอีกูมูเนในส ورة النساء ที่อัลลอฮฺตรัอกว่าว่าอีดะความุอิลลัซซาลัติความุคุซาล เวลาที่ละหมาดละหมาดแบบคนที่เกียดละหมาดแบบคนที่เกียดละหมาดให้ผ่านผ่าอาสุบินเลยมินจาเลกไม่ได้นะครับการทําอิบะดัตเนี่ยมีอยู่สามระดับความเอกลาสของเราในการทําอิบาดัตจะมีอยู่สามระดับหนึ่งการทําอิบาดัตเพราะหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซึ่งมันข้ามคําว่าทําอิบาดาัตด้วยความเกียด ถ้าทาด้วยความขี้เกียจเนี่ยไม่มีแน่นอนความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่อยากจะได้ผลละบุญจากอัลลอฮ์เนี่ยความขี้เกียจมันมันมั น, ม, น, ม, นมันต่ำกว่า น, นั้นมากจะยกระดับยังไงให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดทำเพราะอยากจะเข้าสวรรค์อยากจะได้ผลละบุญชากอัลลอฮ์อันนี้อีคลาสละแต่มันก็ยังต่ำอยู่นะถ้าจะให้สูงขึ้นมาหน่อยการทำอิบาดัตเพราะขอบคุณอัลลอ์ ของคุณอ๋อเหรความรู้สึกอารมณ์เรามันคนละแบบแล้วน ะ, ะความตั้งใจของเราก็จะสูงมากกว่า ก, การที่เราต้องการแค่ผ ล, ลบุญเฉยๆแต่ที่สูงที่สุดก็คือทำอิบัตด้วเพราะความรักที่เรามีต่อ Allah s u b w t จะทำอย่างไรให้เรายกระดับตัวเองในการทำอิบัตเวลาที่เราละหมาดด้วยความรักเนี่ย มันจะได้มันจะได้อัทรรถที่อัลลอฮฺที่ท่านนาบีสลุลต่ลามบอกว่าสามประการที่มนุษย์ได้ถ้ามันมีอยู่ในตัวมนุษย์คนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ ย, ยเขาจะได้สัมผัสถึงเขาจะได้เข้าถึงความรู้สึกหวานฉ่ำของการศรัทธาเราเคยรู้สึกหรือเปล่าความศรัทธาที่มันแบบละเมียดละไมามากที่มันเป็นความรู้สึกละเอียดอ่อนในความรู้สึกของเราแต่ละคนเนี่ย อเมซามยางนี่น <Robin 1500> ึ่ง أن يكون الله و ل ه أ ح มาะักก r ม่ควทุกสินทุกอย่างนโลกนี้นั่นแหละเราถึงจะเข้าถึงความรู้สึกหวานฉ่าของอิมเพราะฉะนั้นการละหมาดเนี่ยต้องกลับไปปรับปรุงดู อัลลอฮบางคนอัสสลัฟ um ุสซาลฺห์บางคนบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเรียนรู Z ้วิธีการอิคลาสในการทําอิบาดัตถึงสี y ่สปีสีปีอะสีปีหรือว่ายีปีนี่แหละเรียนเรียนว่าจะทํำยังไงให้อิคลาสในการทําอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮิฮัลลอฮเรียน20ปีและอีก20ปีเพื่อเอาไปปฏิบัติจริงๆ มันไม่ใช่เรื่องได้เราต้องต้องปรับตัวเองต้องสู้ต้องมุจฮัดาต้องยืดต้องยืดต้องอะไรก็เถอะต้องพอนบ้างเวลาที่มันตึงก็ต้องพอนเวลาที่มันผ่อนเราก็ต้องตึงกับมันกับหัวใจเราอ้าวสุบินละมีนาเล็กนะการความรู้สึกเวลาที่เราละหมาดเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีสามแบบเหมือนกันการตะกับบดหรือว่าการเรียะทำำําอามัลอิบะดาสักอย่างหนึ่งแล้วหวงให้คนอื่นเห็นมันจะมีอยู่สามแบบ หนึ่งเรียะตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องต้นอัลลอฮฺอักบรก็ตั้งใจให้คนอื่นดูอยู่แล้วอันเนี้ยเปล่าเปล่าเลยครับทำมาไม่ได้อะไรเลยละหมาดก็ไม่ได้หรืออะไรก็ไม่ได้สองเริ่มต้นดีอิคลาสอัลลอฮฺอักบรแต่พอสักพักหนึ่งเริ่มมีเรียะเข้ามา อ, อ่าานบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim มีคนข้างหลังเข้ามาเฮ้ยมา เริ่มใจเริ่มมาอันเนี้ยดูซิว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเราจะสู้กับมันหรือเปล่าถ้าเราสู้กับมันสู้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เ ด, ดึงกลับดึงความรู้สึกกลับมาไม่ให้เกิดอาการเรียะอินชาอัลลอฮ์เราได้บุญด้วยแต่ถ้าหากว่าเอา้าเรียะมาแล้วปล่อยเลยเอาไปเลยบิน <c oughs> อตัวเองเนี่ยบินล่องไปแล้วไม่รู้ไปที่ไหนแล้วอ๋อ จบละหมาดด้วยความเรียะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันต้องดูตรงนั้นด้วยว่าสู้หรือไม่สู้อันสุดท้ายเรียะหลังจากที่ที่ทำเสร็จไปแล้วเรียะหลังจากที่ทำเสร็จไปแล้วเนี่ยให้มีให้มีให้ดูสองกรณีให้ดูสองกรณีก็คือว่าถ้าอิบาดั์นั้นเป็นอิบาดที่แยกต่างหากจริงๆแล้วมีอยู่แล้วในหนังสือนี้นะกลับไปอ่านเองนะการงานของจิตใจจริงๆมีอยู่แล้ว อธิบายแต่จะบอกว่าเรียนเรื่องเรียนวิธีแบบนี้เมันจะทําให้เราเข้าใจเวลาที่เราทําอิบัตดัตแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่ามันเป็นอิบาตดัตที่ทําแล้วก็จบไปทีเดียวอะ่ะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างที่เราไม่เคยศึกษาที่จะทําให้การการละหมาด ก, ก็ดีหรือการทำอิบาตดัตอย่างอื่นก็ดีทํำยังไงให้มันมีคุณภาพอะ่ะ คือมันไม่ใช่แค่การละหมาดเฉยๆธรรมดาธรรมดาเหมือนที่เราทำทุกวันละหมาดให้มีคุณภาพละหมาดยังไงให้มันมีคุณภาพต้องกลับไปถามต้องกลับไปเรียนถ้าสาระ บ, บางคนเรียนยี่สิปีเพื่อจะให้อิคลาสในการทําอิบัตัดเนี่ยเราจะต้องดับเบิลกี่ครั้งเพื่อที่ให้เกิดความอิคลาสในการทําอิบาดัดไม่ใช่เรื่องเล็กนะต้องเรียนแม้กระทั่งการละหมาดนี่ยยังเรียนไม่จบหมายถึงว่าให้มันมีคุณภาพที่สุดเนี่ย ไม่ใช่แค่เรียนว่ารุกลาหมาดมีเท่าไรสุนัตมีเท่าไรวัดยิบของมันมีเท่าไรไม่ใช่ละหมาดยังไงใ ห, ห้โคช่วยเนี่ยโหโเหนื่อยมีหนังสือเล่มเล็กๆที่เชคเอ่อมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิซ์เขียนมาสาสิบสามสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นคช่วยสามสิบสามสาเหตุเรามีไหมสักหนึ่งสาหเหตุสั ก, ส, ส, ก, ส, กสักหนึ่งอสบ้บ ท, ที่ทําให้เราละหมาดโคช่วยอ่ ต้องพูดสักหน่อยเพราะว่าเราตะลาเปิดด้วยการละหมาดแล้วก็ปิดด้วยการด้วยการละหมาดแล้วก็มันจะเป็นอิบาดัดแรกที่เราตะลาจะสอบสวนในวันอัคราลเราจะลาสอบสวนการละหมาดก่อนเป็นลำดับแรกเลยถ้าละหมาดดีอย่างอื่นก็อินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าละหมาดไม่ผ่านแล้วก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงว่าอย่างอื่นเราจะไปไม่ได้อัอฮฺเป็นละหนสัตว์ แลาฮอิลลัลลอฮแล้วการละหมาดเนี่ยสหรับท่านนาบีลัลลอฮอัซลลัมเป็นความสุขที่สุดในโลกดุนยียดุเนยียสาหรับท่านนาบีลัลลอฮอัซลลัมไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้กับการละหมาดเวลาที่ท่านมีเรื่องทุกข์ใจละหมาดจะเป็นสิ่งแรกที่ท่านทาอิ ذا ح َ ز َ ب บางรื่งยัดบอกว่า ح َ ز َ ب َไมถึง มีเร uh. ื่องทุกใจอึ๊บจะเริ่มละหมาดก่อนเลยฟาา ص ل ا จรีไปกลละหมาดและอเ็คาในะบนบอกว่าุรรตอยน์มาถึงรู้สึกเย็นเย็นตาเย็นใจรู้สึกสบายอกสบายใจเนี่ยในละหมาดเวลาที่ท่าน บอกให้บิลลลบิลลลบิลลลเปนรับบะษะฮับที่คอยอัซาันเอาเริ่มละมาได้แล้วท่านจะบอกกับบิลาลว่าอาริฮนาดุสซลาตยาบิลลลเอาบิลลลเริ่มพักผ่อนเริ่มหมายถึงว่าเริ่มละมาดเริ่มได้ละสตาร์ทได้แล้วเราจะพักละพักด้วยกันละมาชีวิตของเราที่มันวุ่นวายเนี่ยพักด้วยการละมาอัลลอฮฺอัลาบิล จะทํายังไงให้เราเข้าถึงความรู้สึกอย่างนี้เหมือนที่ท่านอนับดุลเลาะห์สัลลนห ล, ลับในบรรดาซาฮาบะของท่านนะครับได้เข้าเวลาที่เราสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยนั่นแหละอลัลลอฮฺตะลาก็จะบอกว่าอะไรนะนราาารอุลัาาาอิกะฟีจันาาาน่าต์มุครามุนอุลัอิกะฟีจันน่าต์มุครามูนคนเหล่านี้คนที่มีคุณลักษณะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะถ้าทำได้อัลลอฮฺ พวกเขาจะได้เข้าสวรรค์ในสภาพที่ได้รับเกียรติมุกรามุนก็คือเป็นคนที่มีเกียรติไม่ใช่เข้าแบบเงียบๆธรรมดาธรรมดาแอบเข้าสวรรค์ไม่มีนะเวลาเข้าสวรรค์จะไม่มีการแอบเข้าสวรรค์เขาเข้าสวรรค์ไม่คนนะจะมีคนมาคอยต้อนรับมีมาละอิกัปมาคอยต้อนรับ มลายคัตยาดูคุลูนามิยาดคุลูนาอะไรหิ่งินคุลีบาบลอตตาลาบอกว่ามลายคัตจะเข้ามาหาจากทุกทางเลยมลายคัตรู้ว่าเราเข้าสว่างนี่จะมาหาเราเลยจะมาแสดงความยินดีกับเราซาลามุนอะลียคุมความสันติจงมีกับเจ้ามาทักทายเราด้วยส ل ا م ซาลาห์มุนอะลียคุมบิมอสวรตุมด้วยการที่พวกเจ้าอดทน อดทนนี่ก็เป็นกุญแจสวรรค์นะที่เขาบอกว่าการอดทนนี่เป็นกุญแจสวรรค์ที่ได้เข้าสวรรค์นี้เพราะอดทนนะอดทนทั้งในเรื่องที่เป็นการทําอิบาดัดหรือการละทิ้งสิ่งที่เป็นมักซีดอดทนต่อบททดสอบในชีวิตทั้งบทเนี่ยเป็นกุญแจสู่สวรรค์อะไรก็จะบอกว่าสัลลมุณะไลคุมบิมาัลซับบัตุมฟานิอมาอัคบัดนี่แหละเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแล้วสําหรับพวกเจ้าเวลาที่เราได้ยินเรื่องสวรรค์พวกนี้พวกมุสลิมเองนั่นก็ได้ยินเรื่องสวรรค์นะ มันฟังสวรรค์ของท่านนบี ส, ลลสรรุลต่านไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนพวกมุชลินไม่มีไม่มีคำภีรไม่มีคำภีก่อนหน้านี้ไม่มีคำภีรนี่มาจามากระพวกยโอดีกับพวก น, นัสรอเนเท่านั้นเองแต่พว ก, วกมุชลิมมัคกะไม่มีคำพีเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านนบีพูดถึงเรืสวรรค์พูดมันอยากจะเข้าสวรรค์ด้วยอยากจะเข้าสวรรค์ด้วยทั้งทั้งที่มันเองเนี่ยไม่เชื่อแปลกไหมสับสนมากคนที่ไม่ศรัทธาต่อร้อนนี่จะสับสน เวลาที่เราถามคนที่ไม่ศรัทธาตอนหลังถามว่าอยากจะเข้าสวรรค์ไหมอยากเอา้าจะเข้าสวรรค์ที่ไหนก็ในเมื่อไม่เชื่อว่า น, นีสวรรค์จะเข้าที่ไหนอะ่ะถูกต้องไหมครับเหมือนกันเลยกับสภาพของมุชริกรีนในยุค ข, ของท่านนบีสุลตัลละสลัมอยากจะเข้าสวรรค์มันพูดยังไงเนี่ยมีมีรีวยวยะหนึ่งนะครับที่พูดถึงในตัฟซีดนี้ที่บอกว่าอ้ยัก์เนี่ยอ้ยัก์ที่บอกว่าฟมาลิลลัีนักฟารู ท่เบละกามุตูอินพวกกัเฟตมันเป็นอะไรเนี่ยเวลาที่มันเห็นท่านนาบีพูดหรือด่วะอะไรสักอย่างมันจะรีบเข้ามารุมเลยมันก็นว่ารีบเข้ามาอันนยามีนวาอนชิมาลีไซีนต้อมีแปลกๆเ น, นะคือหลากหลายประเภทกัเฟตมุชริกีนบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่อท่านนาบีนี่ไม่ใช่กี่มีประเภทเดียว มาจากเมืองนั้นมาจากเมืองนี้มาจากเผ่านั้นมาจากเผานี้แต่ละแบบนี้ก็โอ้บางทีระหว่างกันเองนี่ก็ไม่ได้เข้ากันดีนะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นพวกเดียวกันดีไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันอาจจะทะเลาะกันด้วยซ้าไปในเวลาปกติแต่เวลาที่มหาท่านนาบีจะรุมกันเข้ามาอย่างนี้เลยเหมือนท่านนาบีนี่เป็นของแปลกมุกตีอินอานิลยามีว่าอานิชิมาลอซินข้างหน้าข้างหลังมามารุมฟังท่านนาบีจะพูดอะไรอยากจะเข้าสวรรค์ มีเร nah, ื ات, ่องเ่าที yeah. mm ่บอาว่า وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآيات أن المشركين كانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون إ ل ه م ا ف نبي آ ا القرآن มาพูดถึงเรื่องนรกพูดถึงนสวรรค์แล้วก็บอกว่าอย่างไงฟังท่านนบีเสร็จแล้วพอฟังเสร็จไม่ศรัทธาแต่กลับเรียกว่าอิสติฮซถากถาง ไปสียะเยะยแล้วก็กล่าวว่าว่าูลอินดะคาลาฮาอุลาอลจันน์ห์ก็มาพูดมูฮัมมัดสุลลัลลาห์สุลลัม فلا ل فلا ن ل و ه ا قبل فلا ندخلونها قبلهم ถ้าสมมติว่าไอพวกพวกระจอกเอ้าก็พว ก, ก, พวกที่เป็นผู้ศรัทธาที่อยู่กับท่านนบีนี่เป็นพวกอะไรฮะกระจอกงอกง่อยเป็นพวกเป็นพวกทาส เป็นพวกระดับต่าในสังคมสมัยนั้นพวกกุศลิกีนี่เป็นพวกไฮโซทั้งนั้นเลยพวกระดับนะอุบิลลาฮ์มันตาเลยก็เลยพูดด้วยความอหังกาว่าถ้าไอ้พวกเนี้ยนะมันจะเข้าสวรรค์ไอ้พวกนี้นะมันจะเข้าสวรรค์ไอ้พวกไอ้พวกอะไรนะบิลละฮ์พวกถ้าหากว่า คนเหล่านี้มันจะได้เข้าสวรรค์จริงๆตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกเนี่ยเรานี่แหละที่จะเข้าสวรรค์ก่อนพวกมันอ่ามันพูดอย่างนั้นฟูดยัิรุมมงไงแล้วเราก็จะได้เข้าสวรรค์ไปอยู่ชั้นสูงกว่าพวกนี้อีกเราจะมีเนตหมัดต่างๆที่อัลลอฮ์จะให้กับเรามีอายะห์หลายอายะห์ที่พูดแบบนี้ที่อธิบายอย่างนี้ที่บอกว่าบรรดามุชริกีนี่มันอ้างว่าจะได้เข้าสวรรค์ ทั้งๆ ท, ที่เป็นคนชั่วและทั้งๆ ท, ที่มันไม่เชื่อว่ามีสวรรค์อยู่จริงไม่เชื่อต่วันอัคราดด้วยซ้ำอาเป็นลงเหมืนแต่เล็กล่าเขาทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยเป็นเพียงแค่การยะเย้ยท่านอนาับดุลเลาะห์สัลลัมแล้วมันก็แยกย้ายกันไปจริงๆนะพอมาฟังท่านเฮ้ยบ้าแล้วก็แยก ย, ย้ายพอมาฟังเสร็จฟังเสร็จยะเย้ยเสร็จก็แยกย้ยายกันไปใครที่มาทางขวาก็ไปทางขวาใครที่มาทางซ้ายก็ ก, กลับไปที่วงชุมนุมของตัวเอง นี่คือสภาพของอายัดนี้จริง ๆ, ๆแล้วอายัดนี้นี่มีการอธิบายสองแบบฝมามลและดีนักเฝ้รูกิบลัลและมุติยินี่ยมีการอธิบายสองแบบนะครับผมพยายามที่จะอธิบายแต่ความความหมายโดยรวมก็คือเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะอย่างในุกซีดมุกซีดบอกว่ามุฮติยินตรงนี้หมายถึงว่าไม่สนใจแปลว่ามุริรีนเวลาที่ท่านนาบีพูดปุ๊บพวกนี้มันไม่สนใจเลยหันหลังให้เลย ในขะที่ตับซีดอื่นๆนะตับซีดนะอย่างตับซีดที่เราเอาไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเวลาที่ท่านนาบีพูดคนพวกนี้จะมาฟังซึ่งเราจะอธิบายภาพให้เข้าใจทั้งสองความหมายก็น่าจะอธิบายสรุปอัลลอฮฺขอาลราอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้ตอนแรกเข้ามารุมก่อนเข้ามาฟังก่อนแต่พอฟังเสร็จอะฟังเสร็จแล้วทําไง พูดดา่าพูดว่าเสร็จแล้วก็กระจัดกระจายกันออกไปตามที่แต่ละคนนั้นมานะครับอัลลอฮฺุต้าล่าละ อ, อย่างไรก็ตามนี่คือสภาพของมุชลีกีนในสมัยนั้นอันลลอฮฺว่าแล้วว่าสมัยนี้นี่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่ได้ฟังตั้งแต่แรกฮะมุชลีกีนสมัยนี้คงไม่ได้ฟังตั้งแต่แรกหรือไม่มีคนเล่าให้ฟังก็งไม่รู้ เป็นหน้าที่ของเราด้วยเหมือนกันนะที่จะต้องบอกให้เขารู้ว่าวันอาคีรัตมีนะนรกมีนะสวรรค์มีนะดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงนเะ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนั้นอลัสตาร์ก็เลยนะ <c oughs> อยากจะเข้าสวรรค์โดยที่ <c oughs> ตัวเองนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยทําชั่วไม่ได้ศรัทธาต่อวันอาคีรัตอลัสตาร์ก็เลยจะเพิดว่า ayatmahu k u l l ิ m r ิน n ุมอันย um um ุ n yurkhala j a น n a t u n ละ n laqunya lamu หรืออยากมากที่จะเข้าสวรรค์ขอ Allah อยากจะมี น, นื้หมัดต่างๆในสวรรค์ของล็อตสุภาวตานแล้วแต่ทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ได้ศรัทธาต่อพระองค์กัลลกัลลาก็คือ harf azaj เป็นการตะเพิดล็อตอะตะเพิดเลยว่าเป็นไปไม่ได้พวกนี้เนี่ยที่บอกว่าจะเข้าสวรรค์ โดยที่ไม่ได้ทําอามังซอนและเลยแม้แต่นิดเดียวนี่จะเข้าสวรรค์ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้วัดกันละเป็นไปไม่ได้นะเรผ่านมาหลา ย, ลยนะอรรักหลอายัดแล้วนะหลายอายัดก็หลายโซร์ห์แล้วด้วยนะเขบาบอกกันละ่ะเป็นไปไม่ได้ที่คนเหล่านี้จะเข้าสวรรค์เหมือนกับที่บรรดามุกมินจะได้เข้าสวรรค์แต่ว่าคนเหล่านี้วันปลายสุดท้ายของพวกเขาก็คือจะต้องกลับไปในนรกจะันนนัมรับการลงโทษจากลอสุภาณาตจ้าจา อินนาขลักนาโฮมิ ม, มายะละมูนแท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเจ้าพวกเขาเองก็รู้อายักนี้หมายถึงอะไรครับเวลาที่พวกมุชริกรินบอกว่าตัวเองจะได้เข้าสวรรค์นี่ความรู้สึกมันลำพองใช่ไหมครับอตัตลาก็เลยประกาศเลยประกาศแบบตะเพิะ อ, อย่ามาพูดอย่างนี้อย่ามาทำตัวลำพองเลย ฉันนี่สร้างเจ้ามาเนี่ยข้าสร้างเจ้ามาจากอะไรเจ้าก็รู้ตัวอยู่แก่ใจเห็นข้าวว่าไหมฮะเป็นการย้ําว่าตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจอะว่าไม่ได้มีค่าอะไรที่จะเหมาะสมกับสวรรค์แม้แต่น้อยแล้วกลับลำพองตนพูดอย่างนี้ได้ยังไงมิมเมียลัมูุนเนี่ยถูกสร้างมาจากสิ่งที่พวกเขาเองก็รู้อะไรอะสิ่งที่พวกเขาเองก็รู้อะไร เราสาระไม่ได้พูดถึงแบบเจาะจงหรือว่าไม่ได้ไม่ได้บอกแบบเปิดเผยในอายัดนี้มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาจากอะไรฮะถูกสร้างมาจากอะไรมาจากน้ําเชื้อที่เราจะพูดถึงมันก็ยังยังไม่อยากพูดถึงอ่ะจะบอกว่ามันมันอะไรก็เนี่ยมันตําตอ้อายไม่เวลาที่พูดถึงเรื่องแบบนี้โดยความรู้สึกของเราเนี่ย จะพูดถึงน้ำอสุจิจะพูดถึงน้ำเชือ่เอเฮ้ยไม่อยากจะพูดปไปพูดที่อื่นไปเป็นเรื่องน่าละอายเรานี่ถูกสร้มาจากไอเนี่ยทุกคนเลยเป็นอะไรที่มันไม่มีค่าคุณค่าอะไรเลยในทัศนะของโลกสภาวะอะไรแล้วจูๆ่ๆจะมาลังพองตนว่ามี่ฉันจะได้เข้าสวรรค์ก่อนเหรก็ถต่ละสองครั้งที่พระองค์ ตะเพิดเลยตะเพิดด้วยกัลล่ะหนึ่งครั้งแล้วก็ตะเพิดอีกครั้งหนึ่งด้วยการบอกว่าอินน่าคลักนาฮมมิมายะละมุ่เราสร้างพวกเขามาจากสิ่งที่พวกเขาเองก็รู้รู้อยู่ในใจว่าถูกสร้างมาจากอะไรแล้วยังลำพองกับเราอีกเข้าใจไหมฮะนี่เป็นอายัดที่ต้องการจะกำราบบรรดามุชรีกีมที่ไยะเยท่านนบีลัลลอฮอะลัยฮิว อินชา خلقناهم مما يعلمون a ب ح ا ن الله แล้วไม่เห็นหน้าละตั๋ลากบอยฟาลาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺเลอิลลอห์อิลลอห์ต้องต้องถึงขั้นกับใช้การสาบานฟาลาอัลซ์มุบรับบ์ المشارق والمغارب อินนา لاقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ข้าศกบันดวย Allah saban กับพระองค์เองลม ا ชาริ ق หมายถึงพระผู้อภิบาลแห่งทิศตะวันออก المشرق ورب والمغرب رب المشرق والمغارب المغارب ก็คือทิศตะวันทิศตะวันตกข้อ20ใช้พหูพจน ทิศตะวนันออกนี่มีกี่ทิศอัลมาชาร์ก็คือที่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่อายัดนี้ใช้พระหจน์ทําไมอะใช่ไหม น, นี้คือความละเอียดอัลกุรอานจะมีบดเลยรับบุลมาชริกีนี้วรับบุลมากริเบยพระผู้เป็นเจ้าแห่งสองทิศตะวนันออกและสองทิศตะวนันตกมาแบบสองก็มีและมาแบบเอกพจน์ก็มีรอบบุลมาชริกีวลมากริ บ, บมาแบบเอกพจน์ก็มีทิศตะวนันตกหนึ่งอันทิศตะวนัน ออกหนึ่งอันก็มีเหมือนกันตกลงมันยังไงสับสนไหมมันรวมกันได้เพราะอะไรครับอันมาแชร์หมายถึงที่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในแต่ละฤดูเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้ดวงอาทิตย์มันจะเฉียงเฉียงไปทางไหนฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์จะเฉียงไปทางไหนครับใครเรียนวิทยาศาสตร์ใครเอกวิทยาศาสตร์บ้างนะทิศใต้หรือว่าทิศเหนือช่วงฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์มันจะ มันจะเอียงไปทางใต้หน่อยๆใช่ไหมครับเวลาที่ฤดูร้อนมันก็จะเอียงมาทางมันจะเฉียงๆมาทางที่เหนืเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์เองเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นตรงองศาเดียวเป๊ะๆแต่มันจะขึ้นมันจะขึ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นอัสตะละก็เลยใช้คําว่าอัลมาชาเรปดวงอาทิตย์ทิศตะวันออกหลายหลายองศาตกก็เหมือนกันในขณะที่สองทิศตะวันออกกับสองทิศตะวันตกหมายถึง ฤดูหนาวกับฤดูร้อนอหมายถึงฤดูและเวลาที่บอกมาเป็นเอกพจน์ก็หมายถึงทิศตะวันออกโดยรวมโดยรวมก็คือทิศตะวันออกทั้งหมดและกัทิศตะวันตกทั้งหมดนี่คือความหมายที่เวลาที่เราจะรวมอายะห์อัลกุรอานนะราวางให้ดีเพราะเรากลัวว่าเวลาที่เราเจออายะห์แบบนี้แล้วมีพวกที่ต้องการสร้างความเขาเรียกว่าสับสนนะพวกที่ต้องการสร้างความสับสนกับอัลกุรอานอาจจะมาตั้งข้อสงสยัยและเราตอบไปได้อย่างนี้ อะไรเนอัลกุรอานมันมันมันชนกันเองไหมไม่นะครับต้องดูทฟซีดของมันดาอุลามะอัลลอฮฺอาลอาลสาบานกับมรจัตของพระองค์ก็คือการที่พระองค์สามารถทําให้ดวงอาทิตย์ขึ้นต่างองศาได้นี่คือไม่มีความสามารถของคนอื่นทําไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นพระองค์สาบานว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์สาบานอินนาลกอบิรุลเรามีความสามารถอัลลอฮฺอัลลอฮัลลอฮฺอัลลอฮอัลอฮฺอัฮฺอ มีความสามารถที่จะเอาคนพวกนี้ไอ้คนที่มันลำพองตัวเองเนี่ย阿拉แต่ลราสามารถที่จะทำลายให้หมดแล้วก็ให้คนอื่นมามาแทนวมานะ์นูบมัสบูกินไม่มีใครที่สามารถจะทัดทานกำลังของเราได้ถ้าเราต้องการที่จะทำอย่างนั้นไอ้พวกที่ลำพองตนพวกนี้มันนึกว่ามันมีพลังมันนึกว่ามันเจ๋งว่ามันนึกว่ามันเก่ง Allah t a เาลยปราบ้วยคาพูดนี้ฟะรหม์อยูขุ้วยลาบุ ح ย ى يلاقوا يومه ملاذيو ع ู ن ในเมื่อคนเหล่านี้มันหัวแข็งมันไม่ยอมฟังมันไม่ยอมศรัทธาต่อ Allah ละตละก็เลยบอกกับท่านนบีสุลลัลละสัลลัมว่าปล่อยมันไปฟะรหมปล่อยตรง น, นี้ไม่ใช่ปล่อยว่าไม่ไดาว่านะหมายถึงว่า ปลอยให้มันพูดไปอย่าไปเครียดอย่าไปเศร้าใจเพราะอะไรครับเวลาที่เราทำงานเยอะๆสมมตินะเวลาที่เราเตือนเพื่อนเราเยอะๆหลายๆครั้งเนี่ยเหนื่อยไ้ยถามจริงเราอยากให้เพื่อนของเราเป็นคนดีอยากจะให้ลูกเราเป็นคนดีอยากจะให้พี่น้องเราเป็นคนดีบอกแล้วบอกอีกมันไม่ฟังเครียดัหม <laughs> เหนื่อยใจไหมท่านนาบียิ่งกว่าเพราะฉะนั้นอัลลอลาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปเครียดปล่อยมันพูดไปปล่อยไปถ้ามันไม่รับก็ช่ากหัวว่ามันไปเจ้ามีหน้าที่บอกก็บอกไปแต่ถ้ามันรับเอาเด็ดีดีไม่มีปัญหาเข้าสวรรค์ได้ขอละอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้มันรับแต่ถ้ามันไม่รับอย่าไปเครียดจนกระตั้งว่าฮะยูไม่ติดแล้วเกิ ด, ดอาการไม่ต้องปล่อยมันไปเลย ฟะดะ م ราคงจะคุยดูปล่อยให้มันพูดไปว่าอย่าละอูปล่อยให้มันทำเรื่องไรสาระของมันไปฮัตตาอยู่ละคูย้ามหมุลละเรียวอาดูปล่อยมันจนกระทั่งวันที่พวกเขาถูกสัญญามาถึงอายัดนี้ยพูดถึงท่านนบีสุลตาร์สัลลัมแต่มันก็มีนัยยะที่จะคูบรรดามุชริกีนอยู่ไกลไกะ อะไรที่มันพูดไปจนกระทั่งวันเกีย t o m มาถึงเยามาไมครูจูนามินัลอจเดดคนเหล่านั้นจะออกมาจากกุโบของตัวเองออกมาแบบไหนสิรออันออกมาแบบพูดพลาดออกมาเลยกาอันหนึ่งอิลานุซุบินยูฟิดูเหมือนกับออกไปหาโนสุปเนี่ยมีสองความหมายนะอย่างน้อยสองสองเนี่ยที่บอกบางคนก็บอกว่าอันนุสุปนี่หมายถึงรูปจเว ในโลกดุนยาเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเวลาเห็นรูปเจว็ดเนี่ยจะมีอาการคือต้องรีบเข้าไปหาโดยเฉพาะในรูปจเจวิตที่ตัวเองนับถือเวลาผ่านก็ต้องใช่ไหมฮะให้ความนับถือใช่ไหมเวลาเดอเวลาขับรถผ่านปิงปิ ง, ปงเอ๊ะนับถือไงไม่ได้เห็นไม่ได้ยิงต้องไปและต้องรีบเข้าไปในโลกดุนยา เพราะฉะนั้นในวันอาครัตเนี่ยสภาพเดียวกันเลยแต่ไม่ใช่จะเวิแล้วอันนี้เข้าไปหาคนที่เรียกอัดดาอีในวันอาครัตก็คือคนที่เรียกไปชุมนุมนวันอาครัตเนี่ยคือบังคับตัวเองไม่ได้เวลาที่เราตะลาเรียกให้มาชุมนุมเนี่ยว่ไม่เอายังไม่ไปก่อนยังไม่ไปก่อนบังคับตัวเองไม่ได้แล้ววันนั้นยังไงก็ต้องไปเหมือนกับมันไปของมันเอง นี่คือความหมายมุยสลิมเสราอันออกไปแบบรวดเร็วด้วยตอนที่อยู่ในโลกดุนยาไม่บังคับตัวเองในวันอขนาขรัตจะบังคับตัวเองไม่ได้ตอนที่อยู่ในโลกดุนยาเราต้องบังคับตัวเองบังคับตัวเองให้มาละมาบังคับตัวเองให้ศรัทธาบังคับตัวเองให้ทำดี เพราะถ้าไม่บังคับตัวเองในดนเนียถึงวันอาเครัตคุณจะบังคับตัวเองไม่ได้มันจะไปของมันเองบางคนต้องคลานไปบางคนต้องขมาหน้าไปต้องต้องไหวในน้ำเหงื่อของตัวเองไปในสภาพที่บังคับตัวเองไม่ได้แล้วเท้าของเราพาไปที่นั่นแหละที่เทรวราลอะไรจะสอบสวน Kasihan absaruhum. Syaitannya khusyuk. Wan akhirat nihak khusyuk. Dunia ni, tak khusyuk. Wan akhirat nihak khusyuk lah. Khamalain tak dapat lah. Terhakum zin lah. Air khusyuk di sini ni tak khusyuk. Soal kerana kerana kita tak khusyuk. Khusyuk kerana kita tak khusyuk. Khusyuk kerana kita tak k h u s n i t a y u u s y e r a n k a tak s e n a k a y u a y u h u y u e r a n i t a u k h u s y u k n a i t a t a n i t a u k h u s y u k k r a a k a t a r a k i a u s e n a k a y เวลาที่เราอ่าน อ, าอัลกุรอานเราได้ยิน อ, อัลกุรอานหรอกละเราซึ้งเราเกิดความโคชุแต่คคชุของพวกมุชริกีในวันอนาคัยรักเนี่ยไม่ใช่โคชุเพราะความซึ้งใจแต่คคชุเพราะวินละความต่ํำต้อยที่มันเหมือนเรารู้สึกว่ า, าตัวเองตัวเองกำลังจะโดนอะไรบางอย่างกําลังจะโดนลงโทษกําลังจะโดนประหารหมดอะไรตายอยากอะ่ะ ในใจนี่ไม่มีความหวังเหลืออยู่แม้แต่น้อยแล้วมันไม่มีแล้วยกหัวอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปจะทำงไมงอหัวงอหัวไม่ขึ้นนี่คือสภาพของคนที่ลำพองตนอหางกาในโลกนี้น ค, แบบความรู้สึกอดสูในใจเนี่ยไปหา Allah ح ح า u b า a ะ a h u wa t a a l ذلك اليوم ที่พวกเขาถูกสัญญาเอาไว้นะอัลลอฮฺบิลลาฮฺมินตะลิดังนั้นพวกเราทุกคนเวลาที่อ่านสุรษนี้บางครั้งนะครับเราเราอ่านเรื่องราวของบรรดาบรรดามุชริกีนบรรดาคนกาฟร์ที่ที่เสกสัตยาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل มันอาจจะไม่ได้พูดถึงเราเข้าใจไหมฮะอย่าไปบอกว่าเอ้ยจะต้องฟังทําไมอะเรื่องของคนกาแฟมันไม่ได้พูดถึงเราก็จริงแต่มันกําลังให้บทเรียนกับเราให้บทเรียนกับเรามันให้กําลังใจกับเราก็าเส้นทางที่เรากําลังยืนหยัดอยู่ณนปะัจจุบันนี้มันคือเส้นทางที่ไม่ใช่เกิดผลอย่างนี้แน่นอนอินชาอัลลอฮฺอุฮาแนาะจ่า ถ้าเราสมมติว่าเราเหนื่อยกับการเดินบนเส้นทางอัซซีรอตัลมุสติกิมวันใดวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทําไมฉันเหนื่อยเหลือเกินเป็นมุสลิมทําไมฉันเหนื่อยเหลือเกินกับการยึดมั่นบนเสน้นทางของชนะของท่านรอซูลสุลลัลลออของอะไรสัสลลัลขอให้นึกถึงสภาพความเหน็ดเหนื่อยในวันอาครัตแบบนี้เชาวสวรรค์เวลาที่ถึงวันอาครัต เวลาที่ไปดูสวรรค์อลอตอลาจะถามว่าเป็นไงบ้างเจ้าดูสวรรค์แล้วเนี่ยเจ้ารู้สึกยังไงบ้างฮะตอนที่อยู่ในโลกโดุนียะเจ้าเหนื่อยมากเนี่ยเจ้าเห็นสวรรค์แล้วตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงพวกเราทุกคนจะตอบเหมือนกันหมดเลยว่าไม่เหนื่อยเลยหกสิบปีที่อยู่บนโลกโดนุนยะไม่รู้สึกอะไรแล้วตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้วได้เข้าสวรรค์แล้ว แต่สำหรับคนกาเฟ่นะอ้าวดูเป็นไรมันได้เลยเอาได้เข้านรกแล้วเป็นไงบ้างดุน尼าของเจ้าที่เจ้าบอกว่าสบายเนี่ยเป็นไงตอนนี้รู้สึกเป็นไงไม้เลยไม่เคยสบายเลยในโลกดุน尼ามีบ้านเป็นร้อย ร, อ ย, รอยล้านก็ไม่สบายแล้วตอนนี้นะรกอ้าวดูเป็นไรมันได้เลยเพราะฉะนั้นฟังเรื่องของคนที่จะต้องเข้านรกเนี่ยเพื่อดูแลตัวเองดูแลอีิม่านของตัวเอง และก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าการอ่านสุร์ที่มันพูดถึงการลงโทษอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นยาใจยาใจที่จะละลายความรู้สึกแข็งกระด้างของวัวใจที่เราคลุกคลุกคลุกด้วยคลุกด้วยอยู่กับดุนยามากเกินไปเวลาที่เราเห็นคนกาเฟ คนที่ไม่ศรัทธาต่อ Allah มันสบายอยู่ในโลกดุเนียหัวใจของเรานี่แทบจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆอยากจะเป็นเหมือนเขาเวลาที่เห็นเขาขับรถฟอร์รี่มาโอ้ใจของเรานน่เหมือนกับ อ, อยากจะมีสักคันถูกต้องไหมฮะเวลาที่เราอ่านอายะห์แบบนี้มันช่วยระ ง, งับความรู้สึกแบบนั้นได้เชิญ a l l นี่คือ นะเพราะมันมีเรื่องราวของของบรรดาผู้ศรัทธาในสมัยของกอรูณกรูณออกมาโอ้แต่งตัวแบบอลังการมากเลยผู้ศรัทธาบางคนก็เลยบอกว่าโอ้อยากจะเป็นเหมือนกอรูณบ้างนะบางคนบางคนบางคนไม่ใช่ผู้ศรทัทธาบางคนนี่ออกมาบอกว่าอยากจะเป็นเหมือนกอรูณบ้างแล้วบรรดาผู้ศรัทธาก็ออกมาค้านว่าระวังให้ดีนะบางทีสิ่งที่กรูณเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลัง นะมีอยู่ในสุราอัลกัซนซะ์ต้องกลับไปอ่านในสุราถูกอัลกซซนี่เป็นฮ i k มั t ท, ที่ว่าทำไมเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาก็ต้องเรียนเรื่องราวของมุชริกีนนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองอย่าง่าที่สุดเราจะได้ไม่เป็นมีนิสัยนะเหมือนกับคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพอเราเป็นผู้ศรัทธานิสัยของเราบางทีก็อาจจะได้รับอิทธิพลนะ ผู้ศรัทธาก็อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากนิสัยของคนกาเฟปฏิเสธได้หรือเปล่าครับทุกวันนี้ที่เรากินอยู่บางทีเราก็กินเหมือนกาเฟที่เราใส่เสื้อผ้าอยู่เราก็ใส่เหมือนกาเฟที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็ใช้ชีวิตเหมือนกาเฟที่เราคบกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหญิงชายชายชายหญิงหญิงก็คบเหมือนกาเฟอยู่เพราะฉะนั้นต้องเรียนไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นเหมือนเ้าแต่ต้องระวังตัวเอง สร้างภูมิกุ้มกันให้กับตัวเองอย่าให้เป็นเหมือนกับนิสัยของผู้ที่จะต้องถูกลงโทษในนรกขอ ง, Allah ของขล้อสุพรรณทาราห้ามเลยละจบสุรตุลมาอาริจรอบหน้านะครับเราจะได้ขึ้นสุระตุสุรหนุมาดูกันว่าท่านน บ, บีนุฮฺอัลลอฮิสซลาムมีเรื่องราวอะไรบ้างที่ท่านได้นําเสนอเรื่องนี้กั บ, <c oughs> บกพวกทั่วของท่านในการดาวะของท่านนะครับเป็นตัวอยา่างของการทํางานดาวะที่ทรหดมาก นะฮะบุญุลกล่าวสซลาム والله تعالى على وفقا الله إياكم لما يحبه رضاه صلى الله عليه و ي ن ه محمد على آله وصحبه وسلم سبحان ربيك رب العزة ع م ا يسيفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام ا ل عليكم و ر ح م ه